วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบหกาคมพุทธศักราชสอง3ห้ากสบสาเป็นวันพระเป็นวันมงคลเป็นวันที่มีการกระทําที่เป็นมงคลนั่นเองการกระทําที่เป็นมงคลนี่เป็นอย่างไร ก็ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมงคลละสตรได้ทรงตัดว่าอาเสวนาจะบาลานังบันฑิตานันจะเซวนาเอตัมมังกะละมุตตะมังนี่คือมงคลสองข้อแรกในมงคลสามสิบแปดข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งทรงตัดว่าการไม่คบคนพาลหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งเนการครบคนพาลคำว่าพาล น, นี่หมายถึงคนไม่ฉลาดหรือคนโง่ส่วนบัณฑิตนี่เป็นคนฉลาดการได้คบ คนฉลาดก็จะทำให้เราฉลาดตามเขาถ้าคบคนโง่ก็จะโง่าตามเขาทีนี้คนโง่คนฉลาดนี่ก็มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือคนโง่คนฉลาดทางธรรมกับคนโง่คนฉลาดทางโลก เราในที่นี้เราหมายถึงคนโง่คนฉลาดท้งธรรมนะคนง่คนฉลาดทางโลกนี้คือพวกที่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาพวกที่ไม่มีการศึกษาเราก็จะเรียกว่าเป็นคนโง่ไม่ฉลาดคนที่มีการศึกษาคนที่เรียนจบสูง เป็นบัณฑิตทางโลกเป็นัญญาตีปัญญาโทเป็นญ า, าเอกเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นคนฉลาดทางโลกคนฉลาดทางโลกนี้ในทางธรรมยังถือว่าเป็นคนโง่ทัในทางธรรมอยู่เพราะอะไรเพราะคนฉลาดทางโลกนี้ไม่ ยังเป็นยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ของใจได้นะัฉลาดทางโลกนี้กำจัดความทุกข์ทางร่างกายได้คนที่มีความรู้ทางโลกมีปัญญาก็สามารถไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อย่างสุขสบายช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายได้ แต่ใจก็ยังทุกข์ยังวุ่นวายอยู่เพราะไม่มีความรู้ทางธรรมเพราะยังไม่เป็นผู้ฉลาดทางธรรมดังนั้นในทางธรรมผู้ที่ฉลาดทางโลกถึงแม้จะจบระดับปริญญาเอกก็ตามก็ยังถือว่าเป็นคนโ ง, ง่ทางธรรมอยู่คน ฉลาดทางธรรมนี่คือเป็นฉลาดอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นฉลาดทางธรรมคนฉลาดทางธรรมก็คือคนที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจนั่นเองคนที่ไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเรียกว่าเป็นคนฉลาดคนที่ยังมีความทุกข์ทางจิตใจอยู่เรียกว่าเป็นคนโง้อ ถ้าแบ่งคนสองประเภทนี้เราก็จะได้คนฉลาดก็คือพระ อ, อริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเรียกว่าเป็นคนฉลาดส่วนคนที่ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ทางใจได้อยู่เรียกว่าปุถุชนคนธรรมดาปุถุชนอย่างพวกเรานี้ ยังถือว่าเป็นคนไม่ฉลาดอยู่เพราะเรายังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้เรายังมีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่จินทุกข์กับร่างกายของเราทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายที่ตอนนี้กำลังมีโรคระบาดอยู่ใจของพวกเราทุกคน ก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจกันมีความหวาดวิตกมีความกังวลกันนี่คือความทุกข์ทางใจถ้าเราไม่มีความรู้สึกทุกข์เลยกับโลกระบาดเนี่ยถือว่าเราเป็นคนฉลาดถ้าเรายังทุกข์อยู่ถือว่าเรายังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดเพราะถ้าเราฉลาดจริง เราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายเลยนี่คือเรื่องของคนโง่ของคนฉลาดทางธรรมไม่ได้วัดกันที่ปริญญาว่าจบปริญญาตีโทเอกหรือไม่จบถือว่าเป็นคนโง่ทั้งหมดถ้ายัางไม่สามารถกำจัด ความทุกข์ภายในใจได้เป็นพวกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์ทางใจนั่นเองอาจจะรอดพ้นความทุกข์ทางร่างกายคือมีปัญญาความสามารถที่จะไปหาปัจจัยสี่มาดูแลร่างกายได้ร่างกายขาดอาหารก็ หาอาหารมาให้ร่างกายรับประทานได้ขาดเสื้อผ้าก็หาสเสื้อผ้ามาสวมใส่ขาดยารักษาโรค ก, ก็หาอยารักษาโรคมารักษาร่างกายได้ขาดที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยมาให้ร่างกายได้แต่ก็รักษาได้เพียงแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจ ที่ทุกข์กับเรื่องต่างๆนั้นยังไม่สามารถกําจัดได้จึงถือว่าเป็นพวกมีความรู้ท่วมผัวแต่เอาตัวไม่รอดไม่รอดพ้นจากความทุกข์ทางใจกันรอดพ้นเพียงจากความทุกข์ทางร่างกายนี่คือคนฉลาดกับคนไม่ฉลาด เรียกว่าบัณฑิตกับคนผ่านทางธรรมการที่เรามาวัดนี่เราได้เข้าหาคนฉลาดทางธรรมเพราะที่วัดนี้คือที่อยู่ของคนฉลาดทางธรรมใครที่เป็นคนฉลาดทางธรรมก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า นี่แหละคือที่อยู่ของบัณฑิตการมาวัดก็เพื่อมาหาบัณฑิตนะเมื่อได้หาบัณฑิตเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีที่จะทำให้เราเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความรู้ความรู้ที่เอาตัวรอดได้ความรู้ที่จะทำให้เราลอดท้นจากความทุกข์ทางใจต้องอาศัย บัณฑิตของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าหรือพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าตอนนี้ตัวพระพุทธเจ้าเองนั้นได้จากพวกเราไปแล้วเราเลยต้องหาตัวแทนแทนตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือใครก็คือพระทคำคาส่นคาสอน ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันทรงแสดงธรรมทรงสอนวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้แก่สาธุชนพุทธบริษัทแทบทุกวันทรงมีพุทธกิจอยู่5ประการในแต่ละวันซึ่งมีแบ่ง มีพุทธมีพุธกิจสีพุธกิจที่เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนธรรมส่วนอีกกิจหนึ่งคือการโปรดสัตว์บิณฑบาตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพระพุทธเจ้าอีกสี่ภารกิจที่ทรงบำเพ็ญอยู่ทุกวันก็คือการแสดงธรรมตอนบ่ายแสดงธรรมให้กับศรัทธายาติโยมตอน คำแสดงธรรมให้กับภิกษุภิกษุณีตอนดึกแสดงธรรมให้กับเทวดาตอนเช้าก่อนจะเสด็จออกบินทบาทรงงรงยานว่าจะไปโปรดใขรไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นและเมื่อมีการแสดงธรรมก็จะมีผู้จดจำกันเอาไว้มีพระที่ติดตามพระพุทธเจ้าเช่นพระ อ, อนุนก็จะ จดจาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ด้วยการท่องเป็นบทสวดมนต์บทสวดมนต์ที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่องกันนี้ความจริงก็คือเป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั่นเองเช่นบทธรรมจักกับประวัตินาสูตรเนี่ยเป็นการแสดงธรรมขั้งแรกของพระพุทธเจ้าให้แก่พระปัญจวคี ทรงสแสดงเรื่องอริยสัจสี 4, ทรงสแสดงเรื่องมรรคแปดพอทรงสแสดงปั๊บก็เหมือนมีการบันทึกไว้ทันทีผู้ที่ฟังนี้ก็จดจํากันไว้แล้วก็ท่องจํากันจนไม่ดืมแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่งพระที่มาบวชใหม่ก็จะมาหัดท่องพระสูตรพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการศึกษาไปในตัวศึกษาคำสัง่งคำสอนว่าพระพุทธเจา้าทรงสอนให้ทำอย่างไรในการที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดไป เ, ออเมื่อท่องเมื่อศึกษาแล้วก็จะได้รู้วิธีที่จะเอาไปปฏิบัติต่อเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป ก็จะมีการจดจํากันมาจนถึงยุคในยุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนจากการจดจํามาบันทึกเป็นตัวอักษรพระไตรปิฎกนี้เดีย๋ยวนี้เป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือที่เราสามารถศึกษาอ่านได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อใหม่มีเสียงก็มีการอ่านพระไตรปิฎก เก็บไว้ในแถบบันทึกเสียงต่อไปมีภา พ, พยนตร์เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบันทึ ก, กเป็นวิดีโอนี่คือแหล่งที่จะเข้าหาพระพุทธเจ้าได้ถึงแม้ตัวพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพราษาสดาอย่างอยู่กับพวกเราต่อไป ถึงแม้ร่างกายของเราจะตายไปแต่เราไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเธอทั้งหลายนี่คือคำตัดของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะจากไปว่าธรรมที่เราได้ทรงแสดงไว้แล้วคำสั่งคำสอนต่างๆที่เราได้สอนไว้แล้วนี้ที่ได้มีการจดจำมีการบันทึกเอาไวน้นี้จะเป็นาศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราสะจากศาสดาดังนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่มีพระพุทธเจ้าแต่เรามีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เอแล้วได้มีการคัดออกมาแสดงเป็นธรรมเทศนาทุกครั้งที่ศรัทธาญาติโยมไปวัดนี่ วัดก็จะมีการเอาพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามาอ่านให้ฟังเวลาพระขึ้นนั่งบนบนอาจก็จะมีใบาลานสมัยก่อนนี่ตัวหนังสือจะเขียนไว้ในใบาลานเป็นแผ่นกระดาษเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมยาวๆที่พระท่านเปิดมาดูแล้วก็อา่าน เป็นการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตั้งแต่ในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่คือเมื่อสองพันห้าร้อกว่าปีมาแล้วเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันดังนั้นเวลาเราได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระไตรปิฎกนี่ ก็เถือว่าเรากําลังเข้าหาบัณฑิตกันเข้าหาคนฉลาดคือเข้าหาพระพุทธเจ้าและอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเข้าหาบัณฑิตได้ก็คือการเข้าหาพระอาลยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คือพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายที่เราเรียกว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่มีวิชาความรู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าส่งมีการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอริยสงสาวก็เรียกว่าเป็นการเข้าหาบัณฑิตอีกวิธีหนึง่งนี่คือการมาสร้างมงคลให้แก่ชีวิตก็คือการเข้าหาบัณฑิตปกติเราจะ คบกับคนผ่านคือคนงโง้คือถึงแม้อาจจะเป็นคนฉลาดทางโลกจบปริญญาเป็นอาจารย์เป็นนักธุรกิจเป็นนักวิชาการแต่ในทางสายตาทางธรรมนี้ยังถือว่าเป็นคนไม่ฉลาดอยู่เพราะยังเป็นคนที่ยังต้องมีความทุกข์ทางใจอยู่นั่นเองเช่นตอนนี้เราไปถามคนที่ เป็นนักวิชาการคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ทางโลกหรือว่าเขาตอนนี้วิตกกังวลกับเรื่องโรคระบาดกันหรือไม่เนี่ยแทบทุกคนนี่วิตกกังวลกันทังนั้นถ้าวิตกกังวลก็แสดงว่าไม่เป็นคนฉลาดถ้าไปพบคนไหนที่เขาบอกเอ้ยเราไม่กลัว นราไม่ทุกข์การแล้วก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามกาดมาแล้วไม่มีใครหนีพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ไปทุกข์กับมันทำไมถ้าเจอคนแบบนี้แสดงว่าเจอบัณฑิตนะอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนบ้าหรือเป็นคนไม่มี เหตุมีผลอันนี้แหละเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช่เป็นคนบ้าระหำ่ำอย่างที่เราคิดกันเขาพูดความจริงให้เราฟังความจริงก็คือร่างกายของพวกเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เมื่อล่วงพ้นไปไม่ได้จะไปทุกข์กับมันทำไม สู้ยอมยอมเจ็บไข้ได้ป่วยดีกว่าที่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันที่ที่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะโง่กันยังงเพราะคิดว่าตัวเองจะสามารถอยู่เหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหนีพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายได้ ถ้ามาเกิดแล้วมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนถ้าไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คืออย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดแล้วไม่มีร่างกายแล้วมันจะมีโรคได้อย่างไรร่างกายเราเนี่ยเป็นบ้านของเชื้อโรคเชื้อโรคมันหาบ้านกันพอเจอร่างกายเราปั๊บมาโอ้กูเจอบ้านของกูแล้ว เข้าไปอาศัยอยู่ทันทีก็ไปบุกรุกทัน ท, เเทีเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านจริงถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านจริงเราต้องห้ามไม่ให้มันเข้ามาบ้านเราได้ใช่ไหมบ้านที่เรามีนี้เราป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาอยู่บ้านเราได้ใช่ไหมเพราะเรามีกุญแจมีประตูมีอะไรล็อกไว้ คนจะเข้ามาอยู่บ้านนี้เข้ามาไม่ได้เพราะเรามันเป็นบ้านของเราถ้าถึงแม้เข้ามาเราก็สามารถไปเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไล่ออกไปได้แต่ร่างกายของเรานี้มันไม่ได้เป็นบ้านของเราจริงมันเป็นบ้านของเชื้อโรคมันจึงทำให้ร่างกายเราเจ็บใข้ได้ป่วย มีเชื้อโรคหลายชนิดด้วยกันที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรานี่คือความจริงคนที่เป็นบัณฑิตจะรู้ว่านี่คือความจริงรู้ว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของเชื้อโรคทั้งหลายจึงไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะรู้ว่ากลัวก็ห้ามมันไม่ได้กลัวก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเปล่า ถ้าไม่กลัวถ้ายอมรับความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคที่จะมาอาศัยที่จะมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยและจะทำให้ร่างกายตายไปในที่สุดถ้าเห็นความจริงยอมรับความจริงได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแล้วถ้าไม่อยากที่จะ ต้องมาทุกกับความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายก็จะไม่กลับมาเกิดอีก น, ะนั่นแหละคือคนฉลาดที่แท้จริงคนที่ไม่กลับมาเกิดเด็กแล้วนะคนที่ยังกลับมาเกิดอยู่ยังถือว่าไม่ฉลาดสมบูรณ์นะเทีนพระอริยสงฆ์นี้มีอยู่สี่ระดับเนะี่ยมีระดับที่สี่เท่านั้นที่ถือว่าเป็นฉลาดอย่างสมบูรณ์เพราะจะ ไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปแต่พวกที่อยู่ในระดับที่หนึ่งสองสามคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีนี้ยังไม่ฉบะยังไม่ฉลาดเต็มร้อยพระโสดาบันนี้ยังต้องกลับมาเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติพระสกิดาคามีก็กลับมาเกิดอีกหนึ่งชาติส่วนพระอนาคามีนี้ ไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นพรมไปเกิดเป็นพรมแทนเป็นมนุษย์แต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่มีพระอาหารหันต์เท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือบัณฑิตที่แท้จริงคนฉลาดที่แท้จริงคือคนที่รู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะพบกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกาย ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่แหละคือคนฉลาดคนฉลาดจะได้สรุปความรู้ว่าทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นและผู้ที่จะไม่เกิดได้จะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ไม่มาเกิดได้ผู้ที่ไม่มาเกิดก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความอยาก ที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางไตพบนี้เองต้องไม่หาความสุขจากกามาพบไม่หาความสุขจากรูปพบไม่หาความสุขจากอารรประพบเนี่ถ้ายังมีความอยากหาความสุขจากกามาพบเกจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะต้องมามีร่างกายกันเพราะร่างกายนี้มีตาหูจมูกลิ้น กายให้มาสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นลสผลทพะนี้เองแต่ถ้ามีความอยากจะเสพรูปเสียงกิ่นลสผลทพะก็จะต้องไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือเสพพอได้เครื่องมือมาเสพรูปเสียงกิ่นลสผลทพะก็มาได้บ้านเป็นของเชื้อโลกไปมาเป็นมาสร้างบ้านให้เชื้อโลกมาอยู่ไป เชื้อโรคมีร่างกายมันก็จะเข้ามาอาศัยร่างกายอยู่ทันทีเพราะร่างกายนี้มีอาหารสมบูรณ์ให้เชื้อโรคเนะี่ยเชื้อโรคนี้พอมันมาอยู่ในร่างกายเรามันก็จะแพร่พันธุ์นะขยายพันธุ์เข้ามาตัวเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกลายเป็นหมื่นเป็นแสนในร่างกายเราขึ้นมาเพราะร่างกายเราเป็นเหมือนเป็นอู่น้ําอู่ข้าวของเชื้อโรค อเชื้อโรคเข้ามาร่างกายปั๊บมันก็จะเริ่มขยายพันธุ์นั่นดีแล้วมันก็กัดกินอวัยวะต่างๆของร่างกายเราไปขึ้นอยู่กับว่ า, เ, าเครื่องป้องกันภัยของร่างกายเราสู้ไหวหรือไม่ในร่างกายเราก็มีเครื่องป้องกันเครื่องต่อสู้เชื้อโรคแต่มันจะสู้ไหวหรือไม่ไหวเท่านั้นเองพวกที่สู้ไม่ไหวร่างกายก็ต้องตายไป โวกที่มีภูมิต้านทานโรคสูงก็สามารถที่จะทำลายเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามาอยู่ในร่างกายได้ก็จะอยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวก็ต้องเจออีกโรคหนึ่งมันมีมาเป็นนับรอกเห็นไห ม, มดูประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็มี h อ n วันอที่เรียกว่าซา ช, ช่วงนั้นต้อง ต้องตรวจอุณหภูมิกันนะพอใครลงจากเครื่องนี้เขาจะมีเครื่องตรวจอุณหภูมิเพราะถ้ามีอุณหภูมิสูงมีไข้ปั๊บเนี่ยเขารู้ว่ามีเชื้อโรคแล้วเขาต้องกักตัวแล้วต้องแยกตัวไม่ให้ไปแพร่กระจายให้คนอื่นแต่โรคตัวปัจจุบันนี้มันดูแต่เพียงแต่อุณหภูมิไม่ได้เพราะบางทีโรคอื่นก็มีอุณหภูมิสูงเหมือนกัน ต้องไปตรวจด้วยวิธีอื่นถึงจะรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือไม่หรือเป็นโรคธรรมดามันมีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วมีโรคที่มาระบาดฆ่าคนตายเป็นล้านในสมัยก่อนในยุโรปถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ของยุโรปมีการระโรคแพร่ระบาดคนตายเป็นร้อยล้านคน นี่มันเป็นเรื่องปกติของการมีร่างกายพอมีร่างกายแล้วมันก็ต้องมีเชื้อโรคเพราะบ้านเพราะร่างกายนี้มั น, เ ป, นเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของเชื้อโรคนั่นเองพอเชื้อโรคมันหาบ้านมันก็จะเข้ามาหาที่ร่างกายของเราก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของร่างกายของเราว่าสู้กับเชื้อโรคไหวหรือไม่ไหว ถ้าสู้ไม่ไหวก็ต้องตายไปถ้าสู้ไหวก็อยู่ต่อไปเพื่อรอรับเชื้อโรคชุดใหม่ที่จะบุกเข้ามาใหม่อีกเนี่ยลอดจากเชื้อโรคอันนี้แล้วเดี๋ยวข้างหน้าก็ไม่รู้จะมีโรคอะไรมาอีกเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีผ่านมาก็มีอีโบลานี่ก็มาโคโรนาเดี๋ยวข่าวต่อไปไม่รู้จะเป็นบ้าอะไรมันก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อย ตราบใดที่เรามีร่างกายกันตาบนั้นเราก็จะต้องมีการต้อนรับเชื้อโรค ก, กันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันถ้าเราไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องเนี่ยเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่ท่านจะสอนวิธีที่จะทำให้เชื้อโรคมันไม่มันไม่มายุ่งกับเรา ก็คือเราอย่าไปมีร่างกายเราอย่าไปเกิดกันพอเราไม่เกิดแล้วมันก็ไม่มีร่างกายให้เชื้อโรคเข้าไปอยู่มันก็จะไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่มีความตายทุกข์ก็เราทุกข์ก็จะไม่เกิดทุกข์เกิดจากผู้ที่มีร่างกายผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นที่จะไม่มีทุกข์ ผู้ที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากเสพกามไม่ได้หยุดอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือกามาขุนห้าคำว่ากามก็คือกามาขุนห้าเครื่องเสพเครื่องที่จะทำให้จิตใจเกิดความสุขขึ้นมาเป็นเหมือนยาเสพติดห้าชนิดดดวยกัน ยาเสพติดทางตายาเสพติดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายพอเสพแล้วมันติดนะพอดูอะไรแล้วมันติดนะดูละครแล้วติดนะต้องคอยดูตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยววันนี้วันจันทร์มีละครเรื่องไหนตอนไหนเนี่ยคนที่ติดละครเดี๋ยวก็รอเปิดดูละครนะถ้าคนติดภาพยนตร์ก็คอยดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ อย่างนี้จบแล้วเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ออกมาอีกแล้วต้องคอยติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องคนชอบฟังก็คอยฟังอยู่เรื่อยๆพ้ตาชอบข่าวก็คอยติดตามฟังข่าวอยู่เรื่อยๆถ้าชอบฟังเพลงก็ติดตามฟังเพลงอยู่เรื่อยๆพอฟังแล้วมันเพลิดเพลินมันมีทาให้รู้เหตุก า, การณ์จืดชื้อหายไป เวลาไม่ได้ดูไม่ฟังอะไรนะั้นอยู่เฉยเรู้สึกจืดชืดรู้สึกว่าวเวรู้สึกเหาอรู้สึกไม่สบายใจแต่พอได้ดูได้ฟังอะไรแนละ้วอาการจืดชืดอาการว่าเวเศร้าหมองนี้หายไปเกิดอาการคลุกคื้นขึ้นมาเกิดอาการเลื่นรางขึ้นมาดูภาพยนตร์ฟังเพลง เช่นเดียวกับการกินการดืม่มใช่ไหมเวลาได้กินได้ดืม่มอาหารจานโปรดนี่เป็นยังไงโอ้ยสดชื่นเบิกบานเวลาไม่ได้กินไม่ได้ดืม่มแล้วรู้สึกเครียดเครียดอึดอัดเวลาไม่ได้ดื่มกาแฟเวลาไม่ได้กินขนมอจะรู้สึกมันไม่มีชีวิตชีวาอืเนี่ยแสดงว่าติดกามะคุณห้ากัน ติดรูปเสียงกิ่นรสผดทพักกันคนที่ไม่ติดเขาจะไม่รู้สึกอะไรเวลาไม่ได้ดูละครเขาก็รู้สึกเฉยเฉยเวลาไม่ได้ฟังเพลงเขาก็รู้สึกเฉยเฉยก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ติดแล้วจะเดือดร้อนเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้กินไม่ได้ดืม่มฉะนั้นการเลิกกามนี่มันถึงยากถึงแม้จะ จะเป็นเรื่องง่ายๆให้หยุดอย่าไปเสพนะแต่เวลาจะหยุดจริงๆมันยากเพราะมันต้องผ่านความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจความรู้สึกว่าเหว่เศร้าส้อยงอยเงาวความรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาในชีวิตจิตใจเนี่ยตัวนี้แหละที่ทำให้มันยาก เวลาที่เราพยายามที่จะเลิกเสพกามกันพระพุทธเจ้าจึงต้องหาวิธีมาช่วยบรนเทาถ้าเราอยากจะเลิกเสพกามนี้เราต้องหัดทำสมาธิกันสมาธินี้จะเป็นตัวที่จะมาตะลายความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นในใจในขณะที่เราอยากเสพอะไรแล้วไม่ได้เสพ อยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพภาแล้วเราไม่เสบมันเนี่พอเราฝืนปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเกิดอัดรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าส่งคนพบวิธีที่จะบรรเทาความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจได้เวลาที่เราอยากจะเลิกเสพยาเสบติดกันก็คือให้เราเข้าสมาธิกัน ให้เรามาหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบกันเพราะเวลาที่ใจสงบแล้วอาการรู้สึกหงุดหงิดเบื่อหน่ายซึมเศร้าต่างๆนี้จะหายไปอาการว้าเหวอาการรู้สึกขาดนู่นขาดนี่ไม่มีชีวิตชีวานี้จะหายไปจิตจะมีความสงบมีความสุขขึ้นมาแล้วจะทําให้ ฝืนความอยากได้ฝืนการดูละครได้ฝืนการฟังเพลงได้ฝืนการดื่มการกินอาหารของโปรดได้แล้วต่อไปก็จะไม่ติดต่อไปก็จะไม่ไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่ได้ดูละครเวลาที่ไม่ได้ฟังเพลงเวลาที่ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มเวลาที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกบ้าน จะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าเราฝืนความอยากได้ฝืนไม่กี่ครั้งความอยากมันก็หายไปแล้วเหมือนคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้ที่เขาเลิกได้เพราะเขาฝืนความอยากดื่มสุราความอยากสูบบุหรี่นี่เองแต่เขาต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งหรือมีวิธีทำใจให้สงบ ถ้าเขามีขันติความอดทนสูงเขาอาจจะฝืนได้แต่ถ้าถ้าเขาหรือถ้าเขามีวิธีทำใจให้สงบได้ก็จะทำให้เขาฝืนได้บางคนก็เปลี่ยนวิธีใหม่คืออยากจะเลิกบุหรี่ก็เลยเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ไปเคี้ยวหมากฝรั่งแทนมันเดี๋ยวมันก็ไปติดหมากฝรั่งแทน ยมนไปใช้อย่างอื่นมาแล้วก็ไม่ดีวิธีที่จะเลิกก็คืออย่าไปใช้อะไรมาทดแทนมันใช้สมาธิเนี่ยดีที่สุดเพราะการติดสมาธินี้ไม่ทุกเนี่ยการติดสมาธินี้ไม่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่ทําให้เรารู้สึกเศร้าหรือว้าเหวแต่อย่างใดการติดสมาธินี้มีโทษเพียงอย่างเดียวก็คือยังทําให้เรากลับมาเกิดใน ในพรมมาโลกยังต้องกลับมาเกิดเพราะเรายังติดสมาธิอยู่ยังติดพร ม, มาโลกอยู่แต่ก็สามารถเลือกได้ต่อไปถ้าเรามีปัญญามีความรู้จากพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราเลิกแต่เบื้องต้นนี้เราต้องอาศัยสมาธิความสงบก่อนถ้าเราต้องการที่จะตัดกาม มาตัณหาความอยากเสพกามถ้าเราตัดกามมาตัณหาได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปเพราะเราไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายมาเสพอีกต่อไปต่อไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา ที่เรากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกันก็เพราะว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไปเที่ยวกันไม่ได้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพักษ ก, กันไม่ได้เราจึงกลัวเราจึงไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราเลิกความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพักษ์กกดาาได้แล้วนี่เราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายไม่สามารถ ที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผวดทพะได้เพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผวดทพะแล้วเราเสบสมาธิคือความสงบแทนดูครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขแทนที่จะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเราก็ไปเข้าสมาธิแทนแเราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้ อ, น, นะอนนี่คือการคบบัณฑิตเราจะได้รับประโยชน์อย่างนี้เราจะได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้เรากาจัดความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ให้มันหมดสิ้นไปได้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ของร่างกายจะมีโรคชนิดไหนระบาดเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคชนิดต่างๆก็เป็นเรื่องของร่างกายไปไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้พึ่งร่างกายเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วถ้าเรายังพึ่งร่างกายอยู่ เราจะเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเพราะร่างกายจะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้นั่นเองเราถึงเดือดร้อนกันแต่ถ้าเรามีวิธีหาความสุขแบบใหม่คือวิธีหาความสุขจากความสงบเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เราก็หาความสุขจากความสงบแทน นี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการครบบัณฑิตเนี่ยความมงคลนี่แปลว่าอะไรก็คือความสุขนั่นเองความเจริญของจิตใจความหมดทุกข์ของจิตใจนี่แหละคือความเป็นมงคลไม่มีใครอยากจะทุกข์กันอย่างนั้นเวลาที่เราไม่ทุกข์นี่ก็ถือว่าเรามีมงคลนะ ถ้าจะมีมงคลได้ก็ต้องหาคนที่ไม่ทุกข์คนที่รู้จักวิธีทําให้ใจไม่ทุกข์ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นในโลกนี้ที่รู้จักวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์นอก น, นั้นแล้วไม่มีใครรู้ถึงแม้จะเรียนจบป ร, ริญญาเอกก็ยังไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์เนี่ยดังนั้น ในทางธรรมนี้คนที่ฉลาดทางโลกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดในทางธรรมยังถือว่าเป็นคนง่ออยู่แต่คนที่ไม่ฉลาดทางโลกแต่เป็นคนฉลาดทางธรรมนี้กับถือว่าเป็นคนฉลาดเนีคนที่เป็นพระอริยสงฆ์บางคนนี้จบแค่ปหนึ่งก็มีจบแค่ปสองปสามก็มี บางคนไม่ไเข้าโรงเรียนเลยก็มีพระสงฆ์บางรูปท่านเขียนไม่ได้เวลาที่ท่านจะบวชนี้ท่านต้องท่องจําอย่างเดียวเพราะท่านไม่เคยเรียนหนังสือเพราะท่านเกิดมาในครอบครัวยากจนหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลจากที่เจริญเช่นเป็นพวกชาวป่าชาวเขาเนี่ยเขาไม่มีโรงเรียนเรียนหนังสือแต่พอเขาไปพบพระอริยสงฆ์ ท่านก็จับบวชเลยสอนสอนธรรมะด้วยทางวาจาสมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้านี้คนมาบวชก็บางคนก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะไม่มีการนั่าเรียนในสมัยก่อนก็อาศัยการฟังอาศัยการจดจำนี่แหละเป็นการเรียนไปแล้วก็ทำให้บรรลุปเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาได้เป็นคนฉลาดทางธรรมได้ แต่ในสายตาของคนทางโลกก็จะคิดว่าเป็นคนโง่อคนไม่มีการศึกษาไม่ได้เรียนปอนหนึ่งก็ไม่ได้เรียนเราจะไปฉลาดได้ไงคนทางโลกเขาวัดกันด้วยการร่ำเรียนหรือการสำเร็จในทางชีวิตเนี่ยถ้าไม่ได้ร่ำเรียนแต่เป็นเศรษฐีได้ก็ถือว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะในทางธรรมนี้ เราวัดที่ใจเป็นว่าใจพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ถ้าใจยังไม่พ้นทุกข์อยู่ยังถือว่ายังไม่ฉลาดถ้าใจพ้นทุกข์แล้วนี่ถือว่าฉลาดเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีกว่าการพ้นทุกข์ต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนมีความสุขทางร่างกายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ายังมีความทุกข์ทางใจอยู่นี่ ความสุขทางร่างกายมันไม่มีความหมายเลยเช่นสมมุติว่ากำลังฉลองวันเกิดกำลังเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตมีข่าวมามีข่าวร้ายมาบอกว่าโรค ก, กำลังระบาดมาทจะเข้ามาถึงบ้านแล้วนี่พอได้ข่าวนี้การเลี้ยงฉลองวันเกิดนี้จืดชืดไปเลยความสุขที่ได้จากทางร่างกายนี้มันจืดชืดไปเลย เพราะความวิตกความกังวลทางจิตใจมันเข้ามาแล้วตอนนี้โรคเริ่มระบาดแทบไปทุกแห่งทุกคนแล้วพอได้ข่าวอย่างนี้แล้วทีนี้ต่อให้มีเงินทองมากมายกายกองต่อให้มีความสุขขนาดไหนก็ตามความสุขที่มีตอนนั้นมันจะรู้สึกจืดชืดไปเพราะความทุกข์ทางใจนี้มันจะครอบมาคุมไว้หมดเลย ทำให้ความสุขทางร่างกายนี้หายไปหมดเลยแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยคนที่มีความสุขทางใจคนที่ไม่มีความทุกข์ทางใจนี้จะมีข่าวร้ายขนาดไหนก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะใจไม่ทุกข์กับอะไรแล้วไม่ทุกข์กับร่างกายแล้ว ไม่ทุกกับทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองไม่ทุกกับหุ้นเนี่ยคนที่เล่นหุ้นตอนนี้โอยผงจะต้องไปจุดทูบเทียนขอพระขอพรเงินหุ่นไปหมดเลยไม่รู้ตกมาไม่รู้กี่ร้อยจุดแล้วไม่รู้เมื่อไหร่มันจะกลับขึ้นไปอีกเนี่ยทุกข์ไหมตอนเ น, นี้ยเวลาหุ้นตกมันทุกข์ไหมแต่คนที่ไม่มีหุ้นนี่ก็ไม่เดือดร้อนเใช่ไหม คนที่ไม่มีหุ้นตกก็ตกไปคนฉลาดเขาถึงไม่ซื้อหุ้นเขาทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วสบายใจบุญจะทำให้ใจมีความสุขหุ้นจะตกหุ้นจะขึ้นฉันทำบุญของฉันไปเรื่อยๆดีกว่ามีความสุขมากกว่านี่คือคนฉลาดคนฉลาดจะรู้จักวิธีรักษาใจไม่ให้ทุกข์ คนฉลาดจะรู้จักรักษาใจให้มีแต่ความสุขนีความทุกข์ของใจเกิดขึ้นสองจากสองเหตุด้วยกันเหตุหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการกระทาบาปต่างๆคนฉลาดก็จะไม่ทําบาปนะ ล, ละเว้นจากการกระทาบาปทั้งปวงแล้วความทุกข์อีกทางหนึ่งก็คือความทุกข์จากการไม่มีความสุขไม่มีความสุขเพราะหุ้นตกเนี่ย ก็อยากจะมีความสุขก็ไปทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วใจก็จะมีความสุขขึ้นมานี่คือขายหุ้นไปทิ้งตอนนี้หุ้นตกขายมันเลยขายแล้วจะได้เอาเงินมาทำบุญดีกว่ามีความสุขได้ด้วยการทำบุญแล้วความทุกข์ชนิดที่สามก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นนสนความอยากมีอยากเป็น อยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่ก็ต้องใช้วิธีมาวิธีฝึกสมาธิวิปัสสนามาบำบัดความอยากเหล่านี้มากำจัดความอยากเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติสมถะภาวนาทำใจให้สงบได้เจริญวิปัสสนาเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากได้ก็จะทำให้เหล่านี้ตัดความอยากออกไปจากใจได้พอตัดความอยากออกไปจากใจได้ ทุกข์ก็จะหายไปหมดคุณจะขึ้นจะลงก็ไม่เดือดร้อนใครจะเป็นจะตายก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อนใจจะสงบใจจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละสิ่งที่เราจะได้น้ำจากการที่เราเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ในวันพระนี้พระพุทธเจ้า ทรงกำหนดขึ้นมาเองให้พวกเราหยุดคบหาคนพาลคนงโง่หนึ่งวันแล้วห้ามาหาบัณฑิตกันหนึ่งวันมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคำสั่งคำสอนของคนฉลาดเพื่อที่จะได้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเมื่อรู้จักวิธีแล้วก็ต้องนำออกไปปฏิบัติต่อ เพราะการรู้เฉยๆนี้ยังไม่เพียงพอยังไม่ทําให้ความทุกข์หมดไปได้เพราะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากที่เกิดจากการรู้หรือไม่เกิดจากการไม่รู้ความทุกข์เกิดจากการอยากหรือไม่อยากความทุกข์เกิดจากการทําบุญหรือไม่ได้ทําบุญความทุกข์เกิดจากการทําบาปหรือไม่ได้ทําบาปเนีมันอยู่ที่ตรงนั้นการรู้นี้เพื่อรู้ให้เรารู้ว่าเราจะต้องไปทําอะไรกัน เราต้องไม่เราต้องหนึ่งไม่ทาบาปทั้งปวงสองเราต้องทำบุญอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเรายังไม่สามารถมีความสุขระดับของการภาวนาได้ก็ให้เราหาความสุขระดับของการทำบุญไปก่อนทำบุญทำทานไปตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปเป็นเหมือนการให้อาหารกับจิตใจ แล้วพอจิตใจได้หารจากการทำบุญทำทานจิตใจก็จะมีกำลังที่จะไปะชาระจิตใจไปทำทำความสะอาดของจิตใจชำระความอยากที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจนี่หลกคำสอนของบัณฑิตไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดนีบัณฑิตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ จะสอนเหมือนกันหมดสอนสามวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของบัณฑิตทุกยุคทุกสมัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตัดเริญมาสอนพระธรรมให้แก่สัตว์โลก ก็จะสอนเหมือนกันหมดสอนให้ละา บ, บาปสอนให้ทาบุญสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่คือวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองไม่มีวิธีอื่นมีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าได้ทดลองหลายวิธีแล้วอดข้าวสี่สิบเก้าวันมันก็ยังทุกข์อยู่ เนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีทรัพสมบัติมีรูปเสียงกลิ่นนอดให้เสพยอยู่ตลอดเวลาใจมึงก็ยังทุกอยู่ลองทั้งหมดมีวิธีแก้ความทุกข์ในโลกนี้เขาแก้ด้วยสามวิธีแก้ด้วยการหาความสุขให้กับร่างกายใจก็ยังทุกอยู่แก้ด้วยการทรมารร่างกายใจมึงก็ยังทุกอยู่ วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกนี้เป็นทางสายกลางระหว่างสองวิธีนี้ระหว่างวิธีใช้ความสุขดับความทุกข์กับใช้ความทรมานใช้ความทุกข์มาดับความทุกข์ก็ดับไม่ได้ต้องใช้วิธีละการการทำบาปใช้วิธีการทำบุญใช้วิธีชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนา คือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะพ้นทุกข์กันอยากที่จะมีความสุขกันเราต้องปฏิบัติสมข้อนี้ให้ได้นะข้อที่หนึ่งละการกระทำบาปนะบาปก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและการดื่มสุรายาเมา พยายามละมันให้ได้อยากไปทำมันเพราะทำแล้วจะทำให้ใจเราทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่ทามันจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์แล้วเราก็ต้องเลิกเสพอบายยามุกด้วยนอกจากสุรายามเมาแล้วก็ต้องเลิกเล่นการพนันเลิกเที่ยว ok. เลิกความเกียดค้านเลิกคบคนที่ชอบอบายยามุกเป็นมิตร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 เขาชอบการเกียรติค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียรติค้านพอเราไปเสพบาบายามุกแล้วเราจะขาดทุนเพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับนั่นเองเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้พอมันพอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปนะไปโกหกหลอกลวงยืมเงินคนนั้นคนนี้มาหรือไปโกหกหลอกลวงขายของขายของเก้ขายของปออะไรต่าง หรือไม่ฉะนนั้นก็ไปลักขโมยบางทีก็ต้องไปป้นไปจี้แล้วถ้ามีการต่อสู้ก็ต้องมีการฆ่ากัน อ, อ, อีกมีการทำผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางถ้าโทษหนักก็ถึงกับประหารชีวิตออนี่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยเมื่อรู้สึกตัวคือการไปเสพอบายามุกนี่เอง ดังนั้นต้องพยายามอย่าไปเสพอบายมุกให้ได้ถ้าเสพแล้วตอนนี้ก็พยายามเลิกให้ได้ถ้ายังดื่มสุราอยู่ก็เลิกดื่มเถิดอย่าไปคิดว่าเก่งบางคนคิดว่าดื่มโวราแล้วเก่งดื่มสวราแล้วแฮปปี้เฮฮาปาร์ตี้มันแฮปปี้เดี๋ยวเดียวตอนดื่มเนเดี๋ยวตอนเงินหมดมันจะทุกข์เนี่ยเวลาไม่มีเงินที่จะซื้อมาดื่ม เล่นการพนันก็เหมือนกันเวลาเล่นก็สนุกมันเวลาได้ก็ยิ่งดีใจได้แล้วก็อยากจะได้ได้ก็คิดว่าจะได้ไปเรื่อยๆก็จะเล่นต่อพอเสียก็ต้องอยากจะได้คืนก็เล่นเล่นอีกเวลาไม่ได้เล่นก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนคนติดสุราติดบุหรี่มันถึงเลิกยากของพวกนี้พอติดแล้วมันเลิกยาก งั้นถ้ายังไม่ติดอย่าไปยุ่งดีกว่ามีใครมาชวนก็อย่าไปถ้ากลัวจะเสียเพื่อนก็ดีเสียดีเสียเพื่อนดีกว่าเสียตัวถ้าไปเสบบบายยมุกแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราจะเสียตัวตัวเราจะเสียตัวเราจะกลายเป็นคนที่มีปัญหามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความเดือดร้อนและอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปได้ ถ้าเราไม่สามารถเลิกเสพได้เราก็ต้องไปหาเงินทองโดยมิชอบมาเสพต่องั้นอย่าอย่าไปเสพอบายามุขแล้วจะทำให้เราไม่ไปทําบาปไดเ้เมื่อเราไม่ทําบาปเราก็จะไม่มีทุกข์ตามมาทุกที่เกิดในใจ เ, นเราอย่าไปดูผลที่เกิดจากทาบาปที่ภายนอกที่ร่างกายซึ่งบางทีคนทําบาปยังไม่รับผลบาปก็มีเยอะแยะไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีโทษนะโทษจริงๆมันมีแล้วอยู่ในใจของเขานี่นแหละเวลาเขาทำบาปแล้วใจเขาจะร้อนขึ้นมาใจจะไม่สบายขึ้นมาต่างกับคนที่ไม่ได้ทำบาปจะรู้สึกเฉยๆสบายเวลาเห็นตํารวจก็ไม่เดือดร้อนไม่สะดุ้งนะคนที่ทำบาปนี่พอเห็นตารวจเดินมานี่สะดุ้งขึ้นมาแล้วทั้งทั้งที่ตารวจก็ไม่ได้มาจับเราแต่เรารู้ว่าเรามี เรามีโทษเราจะต้องถูกจับไปลงโทษไม่ช้าก็เร็วมันก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทำบาปแล้วความทุกข์จะไม่จะน้อยลงไปแล้วถ้าเรารู้สึกจืดชืดกับชีวิตไม่มีชีวิตชีวาอยากให้มีความสุขก็ทำบุญกันทำบุญไปทำบุญทำทาน หลายวิธีด้วยกันทำบุญกับวัดก็ได้ทำบุญกับโรงเรียนก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทำบุญกับองค์กรสาธารณกุศลเช่นร่วมกับตันยูปอแท็กตึงก็ได้ทำบุญกับคนชราก็ได้ทำบุญกับเด็กพิการก็ได้ทำบุญกับสัตว์เดี้ยงานก็ได้คนชอบหมาก็เลี้ยงสุนัขจรจัดคนชอบแมวก็เลี้ยงแมว คนชอบนกชอบปลาก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาคนชอบวัวควายก็ไปไถ่ชีวิตวัวควายการกระทำเหล่านี้แล้วจะทำให้มีความสุขขึ้นมาบุญนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาอย่าไปหาความสุขใจแบบอื่นหาความสุขใจจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรัดนี้เป็นเหมือนกับการไปเสพยาเสพติดมันจะมีโทษมีพิษตามมามันจะทาให้ติด แลวเวลาไม่ได้เสพมันจะทำให้ทุกข์แต่เวลาทาบุญนี้มันจะไม่ติดมันจะไม่ทุกข์เวลาที่ไม่ได้ทำบุญมันจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดอร้อนเลือบบางทีคิดถึงบุญเก่าที่ได้ทำไว้ก็ยังทำให้เกิดมีความสุขใจขึ้นมาได้นี่คือขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเลิกทาบาปกันขั้นที่สองทำบุญกันตามกำลัง มีมากไปน้อยก็ทำไปเท่าที่เรามีนะอย่าไปมองคนอื่นนะบุญนี้ของใครของมันเหมือนอาหารนี้ของใครของมันคนที่มีร่างกายใหญ่ก็ต้องกินมากคนที่มีร่างกายเล็กก็กินน้อยแต่ผลที่ได้ก็เท่ากันก็คือความอิ่มเหมือนกันเห็นไหมเวลาช้างกินข้าวนี่ต้องกินอย่างน้อยครึ่งกระสอบนะถึงจะรู้สึกอิ่มแต่หนูนี่มันกินแค่ช้อนสองช้อนมันก็อิ่มละ อิมเหมือนกันความอิ่มของช้างกับความอิ่มของหนูมันอิ่มเหมือนกันแต่ปริมาณของข้าวที่ต้องกินไม่เท่ากันงั้นคนรวยก็ต้องทํามากถึงจะอิ่มคนจนก็ทําน้อยก็อิ่มเหมือนกันคนมีร้านหนึ่งอาจจะต้องทําแสนหนึ่งถึงจะรู้สึกอิ่มคนมีพันทําแค่ร้อยเดียวก็รู้สึกอิ่มมันอยู่ที่กําลังอยู่ที่ขนาดของ ของเงินทองที่ของแต่ละคนมีกันมีมากก็เป็นเหมือนช้างต้องกินเยอะถึงจะอิ่มมีน้อยก็เป็นเหมือนหนูกินนิดเดียวก็อิ่มงั้นเราทำไปตามกำลังทำแล้วทำให้เรารู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจก็ถือว่าใช้ได้้ะเราได้ทำบุญกันแล้วแล้วพอเราได้กินอาหารได้บุญแล้วเราก็จะมีกำลัง กำลังที่จะไปทำความสะอาดใจของเราใจของเราก็เป็นเหมือนบ้านบ้านของเราเวลามันรกลุกนางนี้หน้าอยู่ไหมเกะกะไปหมดข้าวของเสื้อผ้าใช้เราก็ไม่ซักกองไว้ตรงนั้นกองไว้ตรงนี้ขยกกะย ก, ก็ทิ้งกันเวลาเข้าบ้านแล้วไม่อยากจะเข้าเลยเหมือนเข้าโรงขยะแต่ถ้าเรามาจัดการ เอาขยะออกไปทิ้งนอกบ้านมาจัดบ้านมากวาดมาถูมาเช็ดมาจัดโต๊ะจัดเตียงให้มันสะอาดให้มันดูเรียบร้อยเหมือนตอนที่สร้างบ้านใหม่ๆหพอเห็นว่าโอ้อยากจะเข้าบ้านใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้รับไม่ชำระใจของเราใจของเราจะมีแต่เรื่องนกลุงนางอยู่ในใจตลอดเวลาเรื่องหนัก อ, อกหนักใจเรื่องเบือ่อนายเรื่องอะไรต่างๆหดมากมายก่ายกอง เพราะเราไม่ไม่ชำระเรื่องราวต่างๆเนีเราจงต้องมาชำระเครื่องที่จะมาชำระใจของเราให้สะอาดก็เรียกว่าการภาวนาการภาวนาก็มีแบ่งเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสามถภาวนาถ้าเปียบเที๊ยวก็เป็นการเอาขยะออกออกนอกบ้านไปเรียกว่าสามถภาวนาทำความสะอาดก่อนมอทำความสะอาดเสร็จขั้นที่สองก็มาจัดใหม่ จัดโต๊ะจัดเตียงจัดอะไรให้มันเรียบร้อยให้มันดูสวยงามดูแล้วมีความรู้สึกที่มีความสุขเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันขั้นต้นก็ทำใจให้สงบก่อน พอสำหรับขั้นที่สองก็มาจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราสิ่งไหนที่มันลกลุงลังสิ่งไหนที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีก็กำจัดมันออกไปเก็บไว้ในต่สิ่งที่มันดีสิ่งที่มันจะให้ความสุขกับเราเรียกว่าวิปัสสนาคือปัญญานี่คือการชําระจิตใจ พอเราทำละจิตใจให้สะอาดกำจัดสิ่งที่ลกลุงลังสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปเมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่มีร่างกายที่จะเป็นบ้านของเชื้อโรคที่จะมา เพราะโลกภัยไข้เจ็บให้กับร่างกาย อ, อีกต่อไปเราก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ผลที่เกิดจากการที่เราเข้าหาบัณฑิตนี่ถ้าเราไปหาคนไม่ใช่บัณฑิตคือคนไม่ฉลาดคนทางโลกเขาจะไม่มีวันที่จะรู้จักวิธีแก้ปัญหาของใจได้ต้องเข้าหาบัณฑิตถึงจะได้รับมงคล คือได้รับความสุขความเจริญได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเรื่องของการครบบัณดิตการไม่ครบคนผานเป็นมงคลอย่างยิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมววาอิโตทินนางเปตานัง e อุปปักปฏิอิชิต an ังปะทิตังตุมห um ังกิปเมววสมิจโตสเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนาราโสยถามณีโชติราโสยถาสพีติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะ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 เพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่เหมาะที่สุดเพราะเวลาที่เลิกแล้วมันจะโกลาหนมันจะไม่สงบจึงไม่ขอไม่ขอตอบคําถามในช่วงอื่นขอตอบในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าสามร้อยเจ็ดสิบวิทยุออนไลน์สิบหกรับฟังข้างบนนี้เจ็ดสิบสี่คนรวมทั้งหมดหนึ่งพันสามสิบเก้าครับอ่าใครอยากจะถามยกมือขึ้นมาจะส่งหมายไปให้ถ้าไม่มีก็เอาทางบ้านก่อนอคำถามนะครับถ้าเราถือศีลแปดอยู่แล้วเราเห็นคนทำไม่ดี นึกตำหนิเขาในใจแต่ปากเราไม่ได้พูดออกมาเราจะผิดศีลหรือไม่เจ้าคะถ้าเรากำลังปวดชีพราหมอยู่ออยังไม่ผิดหรอกถ้าเรายังไม่ได้พูดยังไม่มีการกระทาทางกายทางวาจาแต่มันก็เป็นอกุศลทางใจคือเป็นความคิดที่จะทำให้ใจเราวุ่นวายมไม่สงบไม่มีความสุขอย่างนั้นพอเราคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติแล้ว เรามาบวดเนี่เรามาบวชเพื่อมาเจริญสติมาควบคุมความคิดเห็นพอจิตคิดไปในทางอกุศลนี้ก็ต้องหยุดมันใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันไปเพราะถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันอดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะออกมาทางวาจาทางกายต่อไปได้คำถามจากคุณนัชชาเมื่อไม่นานมานี้ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่ง ในคืนแรกที่ไปได้ยินเสียงร้องหหยหวนประมาณว่าเสียงนั้นทุกทรมานมากคนที่ไปมีจำนวนมากและคนที่ได้ยินก็มีอยู่จำนวนหนึ่งคําถามแรกในวันถัดมาระหว่างปฏิบัติธรรมได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วเขาจะได้รับส่วนบุญใหม่เจ้าคะถ้าเขาหยุดร้องก็แสดงว่าเขาได้รับแล้วถ้าก็ยังร้องอยู่แสดงว่ายังไม่ได้รับหรือรับไม่พอ ก็ต้องส่งไปเรื่อยๆส่งไปจนกว่าเขาจะหยุดร้องคำถามที่สองครั้งต่อไปถ้าเจอแบบนี้อีกโยมต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะตอนที่ได้ยินเสียงนั้นคิดว่าเป็นเสียงกลนซึ่งก็ไม่มีใครมานอนอยู่ในที่ใกล้ๆกันเจ้าค่ะก็มีหลายวิธี<ม>วิธีหนึ่งก็เฉยๆไปปล่อยข้อกลนไปปล่อยให้เสียงเขาว่าไปตามเรื่องของเขา ปล่อยให้เขาเกิดเขาดับไปเองเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเรากลับมาหาพุโทโธพุโทโธแล้วดูลมหายใจทำใจของเราให้สงบต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อเห็นตัวเองก็เห็นคนทั้งโลกเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นความอยากของตัณหาแล้วพิจารณาเห็นอริยสัจ ส, สี่ถูกไหมครับ ก็ถ้าเห็นอริยสัจ ส, สี่ก็ใช้ได้เนี่ยจะเห็นหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งเราความจริงอริยสัจ ส, สีมันมีอยู่ในทุกคนนะมองไปที่ไหนก็มีอริยสัจ ส, สี่ในใจของทุกๆคนเพียงแต่ว่าเรามองไม่เป็นกันเราไปมองอย่างอื่นแทนเราไปมองทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเราไปมองตำแหน่งไปมองอะไรทั้งนันเลยทำให้เรามองไม่เห็นอริยสัจ ส, สี่ คำถามจากคุณพิสิทธ์กรรมฐานสามารถแก้กรรมได้จริงไหมครับอ๋อกรรมแก้ไม่ได้แล้วกรรมนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของมันช้าหรือเร็วมันจะต้องส่งผลกรรมฐานนี้เป็นเครื่องที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกรรมได้แต่แก้กรรมไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานถึงขั้นสูงสุดเราก็จะไปนิพพาน พอเราถึงนิพพานเราก็จะไม่กลับมาเกิดเมื่อไม่มีการเกิดกรรมก็ไม่สามารถที่จะแสดงผลได้กลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือเวลานั่งสมาธิหนูจะเอาผู้รู้ออกมาจากข้างนอกกายแล้วก็เอาผู้รู้นะ่ะมาสังเกตร่างกายว่า ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงยังไงแต่พอมีสมาธิคือเราสามารถแ ย, ยกออกได้ผู้รู้กับกายอะ่ะแต่พอสมาธิอ่อนคือผู้รู้กับกายอ่ะจะมารวมกันแล้วทำให้เกิดเวทนาแล้วตอนที่เราเกิดเวทนานั้นน่ะเราสามารถพิจารณาอาการสาสิบสองได้ไหมคะในการนั่งสมาธิได้ถ้าเราจะใช้ปัญญาแทนที่เราจะใช้สมาธิเราใช้ปัญญาเราก็แยก พิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายไปว่าร่างกายนี้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในตัวร่างกายนี้มันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือสุขถึงแม้มันจะทุกข์มันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่เดือดร้อนถึงแม้มันจะสุขมันก็ไม่ได้ดีใจตัวที่เดือดร้อนดีใจไม่ได้ที่เป็นร่างกายแต่เป็นใจ ใจที่ยังโง่อยู่ใจที่ยังไปยึดติดกับร่างกายอยู่ไปยึดติดกับสุขทุกข์ของร่างกายอยู่ก็เลยทำให้ใจยินดียินร้ายกับความสุขความทุกข์ของร่างกายแล้วก็เลยทำให้ใจวุ่นวายใจไม่สงบถ้าใจอยากจะสงบใจก็ต้องปล่อยวางความสุขความทุกข์ของร่างกายไปร่างกายจะสุขก็ปล่อยมันสุขไปร่างกายจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปเราจะวางความตายได้ยังไงคะ วางอะไร น, นะวางความตายค่ะเว<า>ลานั่งสมาธิแบบว่าก็ต้องถ้ายัางวางไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปร่างร่างกายมันจะหายใจไหมหายใจก็เรื่องของมันไปอย่าไปบังคับมันเวลามันไม่หายใจก็อย่าไปพยายามดึงให้มันหายใจถ้ามันไม่มีแรงหายใจก็ปล่อยให้มันหยุดหายใจไป แล้วเวลานั่งสมาธิบางครั้งก็เกิดเวทนาะบางครั้งก็ไม่เกิดเวทนาะเกิดเพราะอะไรคะก็แล้วแต่เวทนาบางทีมันก็ไม่เทียมมันเป็นอนิจจังบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดนั้นเป็นอนัตตาเราก็ไปสั่งมันไม่ได้เหมือนร่างกายบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้บางทีก็ไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้ก็ให้พิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเป็นอนิจจัง โยมเอ้ยขอเบาๆเสียงหน่องได้ไหมทำอะไรกันนะเนาะถ้าจะทำอะไรไปนั่งที่ต้นโคนต้นโพะปจะได้มาไม่มารบกวนกันแล้วอย่างเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยเราเห็นคนอื่นเดินมาแล้วเราพิจารณาความแก่ของเข า, เ, าเวลาแบบว่าร่างกายเริ่มแก่เริ่มมีผมหงอกอะไรเงี้ยเป็นการส่งจิตเพ่งออกไปข้างนอกไหมคะก็ส่ง ทางที่ดีพิจารณาร่างกายเราดีกว่าเพราะร่างกายคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายมันไม่ค่อยมีผลกระทบกับจิตใจของเราเหมือนกับร่างกายของเรานอกจากว่าถ้าเรายังมองไม่เห็นความแก่ของร่างกายของเราเราก็ต้องอาศัยความแก่ของคนอื่นเป็นตัวอย่าง ดูดูความแก่ของคนอื่นแล้วก็โอปัญญายกน้อมเข้ามาที่ร่างกายของเราใช่ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำงานอยู่พอดีเราเงยหน้าเห็นเคลนเลยง่ายเงยหน้ามองขึ้นมาเห็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มองคนอื่นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพียงแต่ว่ามันการปฏิบัติจริงๆแล้วเราควรจะดึงใจให้เข้าข้างในไม่ส่งออกข้างนอก ท่าน บ, มบ่มองข้างนอกปับแบก็ต้องดึงกลับเข้าข้างในพอเห็นร่างกายของเขาแก่ก็ต้องดึงว่าต่อไปร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องนอมกลับเข้ามาที่ที่กายที่ใจของเราเสมอถ้าเรอยู่ข้างนอกมันก็จะกลายเป็นกิเลสไปกลายเป็นการมองคนอื่นไปแล้วก็ไปวุ่นวายไปกับคนอื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรา คำถามจากข้างบนนี้นะครับปฏิบัติทำอยู่เข้าใจในอริยสัจ4ี่และมักมีองค์8แต่เจอปัญหาจริงกับตัวเราคือลูกของเราเขาทุกข์มากตัวเราก็เป็นทุกข์รู้สึกทุกข์ใจเราควรจะทำอย่างไรควรจะปล่อยวางหรือจะทำอย่างไรครับก็เพราะว่าเราเข้าไม่ถึงตัวอริยสัจ4ี่ที่มีอยู่ในใจของเรานนเนเข้าไม่ถึงตัวทุกข์ เข้าไม่ถึงตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์คือความอยากของเราเราต้องถ้าเราอยากจะเข้าถึงตัวอริยสัจสีและเพื่อกาจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราเราต้องเจริญสติต้องดึงใจให้เข้าข้างในจากดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อให้เข้าสู่ข้างในคือเข้าสู่สมาธินี่เอง พอใจเข้าถึงสู่ความสงบแล้วใจก็จะอยู่ใกล้กับอริยสัจสี่เวลาเกิดทุกข์ใจก็จะเห็นทุกข์แล้วก็จะเห็นเหตุของความทุกข์คือความอยากแล้วก็สามารถใช้สติที่ได้จากการเจริญสมาธินี้หยุดความอยากที่เกิดขึ้นได้พอหยุดความอยากที่เกิดขึ้นได้ก็จะทำให้ความทุกข์หายไปถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญามาช่วย สารใจว่าเช่นเราทุกกับเรื่องของลูกลูกก็เป็นเรื่องของเขาเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปควบคุมเขาไม่ได้เขาทำนู่นทำนี่ให้ตัวเขาทุกข์แล้วจะไปบอกให้เขาหยุดก็หยุดไม่ได้บอกแล้วเขาไม่หยุดก็ต้องปล่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาไปแต่เราหยุดความทุกข์ของเราได้เพราะเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องที่เราไปทุกข์ด้วย ว่าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาไปเขาเป็นอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากของเราที่อยากให้เขาไม่ทุกได้พอเราหยุดความอยากของเราได้ความทุกข์ที่เราทุกข์ก็จะหายไปอันนี้ต้อง ต้องเข้าสู่การภาวนาเท่านั้นต้องหนึงใจให้เข้าสู่ข้างในเข้าสู่ความสงบแล้วถึงค่อยจเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์แล้วถึงจะสามารถละความอยากที่ทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้คําถามจากคุณธรรมะสบายใจเมื่อตอนลูกชายอายุห้าขวบเขาชักและเข้าโรงพยาบาล เบล์ ur, ตาลอยเรียกชื่อเท่าไหร่ก็เรียกไม่กลับหมอจะผ่าตัดไขนสลังลูกจึงตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้อาการเขาหายถ้าถึงเวลาที่ลูกชายอายุครบบวชสามเณรได้จะบวชให้ทันทีอย่างน้อย15้าวันถึงหนึ่งเดือนปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นลูกชายหายเป็นเปลิดทิ้งตอนนี้ลูกอายุครบ11ปีแล้วสามารถบวชได้ และคุยกับเขาแล้วเขาก็พร้อมบวชให้แต่เนื่องจากตอนนี้เกิดโรคระบาดหนักทำให้หลายวัดยกเลิกโครงการบวชสามเณรไปจึงไม่สามารถบวชได้เจ้าคะ่ะ ในเมื่อเราเชื่อมั่นในบุญกุศลเราสามารถให้ลูกชายบวชที่วัดโดยมีพระพี่เลี้ยงดูแลส่วนตัวถ้าบวชในรูปแบบนี้จะได้หมายเจ้าคะ่ะคือไม่ต้องบวชในโครงการเพราะตอนนี้หลายวัดยกเลิกกันไปแล้วเจ้าคะ่ะได้บวชเนรจะบวชแบบไหนก็ได้มันก็บวชเนรเหมือนกัน <c oughs> แล้วแต่ว่าทางวัดเขาจะรับบวชหรือไม่ถ้าเขารับบวชได้ก็เถอว่าได้บวชเนรเหมือนกัน คำถามจากคุณนัฐพลเมื่อคืนก่อนนี้ผมฝันเห็นหลวงตามหาบัวครับท่านมานั่งยิ้มให้แล้วชวนฉันข้าวท่านให้โอวาตบอกว่าที่ทําอยู่อย่าทิ้งเสียนะแบบนี้ถือเป็นนิมิตที่ดีหรือไม่ครับดีเสยเมืกูบาอาจารย์มาปปอดมาแสดงธรรมนี้แสดงว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราควรที่จะน้อมรีบนำเอาไปปฏิบัติอย่างเข้ ม, เ ข, มขเข้มขัดอย่างแข้งคัดอ เพราเราจะได้ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติเนี่ยคำถามจากคุณดีคัตนาเวลาที่โยมอยู่ทางโลกทําไมเห็นแต่ความทุกข์เห็นความไม่สบายกายไม่สบายใจของตนและของผู้อื่นแต่เวลาที่ได้ฟังธรรมกับพระอาจารย์เหมือนอยู่บนสวรรค์เบิกบานมีปิติเห็นแต่ความสุขความสงบเย็นจิตที่เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ ก็จิตมันเป็นได้ทั้งสองอย่างจิตไปดูเรื่องร้อนจิตมันก็ร้อนขึ้นมาจิตไปดูไปฟังเรื่องเย็นมันก็เย็นขึ้นมาเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าอะไรร้อนเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเรารู้ว่าอะไรเย็นเราก็เข้าไปหาของเย็นเมาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆไม่ยังของเราก็ได้ของครูบาอาจารย์รูปอื่นก็ได้ฟังแล้วมันเย็นทั้งนั้น่ะของหลวงตาของพ่อแมก่กูาจารย์ทั้งหลาย ฟังธรรมไปเถอดดีกว่าไปฟังเรื่องเรื่องไขวัดเรื่องอะไรต่างๆเรื่องหุ้นเรื่องอะไรฟังแล้วใจก็ร้อนขึ้นมาพอไปฟังธรรมใจก็เย็นขึ้นมาครับคำถามข้อที่สองความทุกข์ความสุขจะเกิดดับแบบนี้ตลอดหรือถ้าเรามีปัญญาดวงตาเห็นธรรมจริงความทุกข์ก็คือความสุขสุขก็คือทุกข์ใช่หรือไม่เจ้าคะ คือมันมีทุกสองอย่างทุกใจกับทุกทางร่างกายทางนอกใจถ้าใจมีปัญญาใจมีธรรมะใจก็จะเย็นข้างในจะสุขข้างในจะไม่ทุกข์ข้างในแต่เรื่องข้างนอกเขาก็ต้องทุกไปตามเหตุการ์เช่นหุ้นตกเขาก็ต้องทุกหุ้นขึ้นเขาก็สุขแต่ใจของเราที่มีธรรมะก็จะไม่ไปสุขไปทุกข์กับการสุข กับความทุกข์ของเรื่องภายนอกใจเพียงแต่จะรับรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้หุ้นดิง่งรู้ว่าตอนนี้หุ้นขึ้นหรือว่าตอนนี้มีโรคระบาดมีคนตายก็รู้ไปเฉยๆแต่จะไม่สุขไม่ทุกข์กับเรื่องภายนอกคำถามจากคุณทอม เวลาที่ใส่บาต ข, ขณะที่พระเดินห้ามใส่ของแห้งหรือครับได้ยินมาแบบนั้นแล้วถ้าใส่มะขามป้อมหรือลูกพุนในบาตมันก็แห้งใส่ได้ไหมครับคืออาหารที่ไม่ให้ใส่บาตก็คืออาหารดิบเช่นเนื้อดิบไก่ดิบอะไรพวกนี้ที่ยังต้องเอาไปทำต้องเอาไปปรุงไป ไปต้มไปหุง่ไม่ให้ถวายของดิบแบบนั้นแต่ของที่ดิบก็กินได้ถวายได้ผักนี้ก็เป็นของดิบก็ถวายได้พริกอะไรพวกนี้ผลไม้เป็นของดิบนี้ถวายได้เครื่องกระป๋องอะไรนี้ก็ถวายได้ยกเว้นเนื้อสัตว์ของของที่ต้องไปทำให้มันสุกไข่นี่ก็เหมือนกันไข่ที่ยังไม่ได้ต้มยังไม่ได้ทอดนี่เป็นไข่ อย่างนี้ก็ไม่ไม่ควรจะถวายเพราะว่าพระห้ามพระพุทธเจ้าห้ามพระให้ไม่ให้เป็นพ่อครัวไม่ให้ทำกับข้าวเองเพื่อจะได้ตัดปัญหาไงั้นจะรับหมดเวลาไปกับการทำกับข้าวเดี๋ยวจะหมดเวลากับการไปนั่งปรุงแต่งคิดเมนูแปลกๆขึ้นมาก็เลยให้พระกินตามมีตามเกิดก็เรียกว่าอาหารพร้อมกินอาหารเนี่ย Ready to eat food เนี่ยอะไอางงของที่มาแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องเอาไปทำไม่ต้องเอาไปต้มไปหุงอีกต่อไปข้าวสารนี่ก็ไม่ได้ข้าวสารต้องเอาไปหุงไปต้มนี่ก็ไม่ได้คำถามจากผู้ฝากถามอยู่คนเดียวถ้าจะถือสินแที่ห้องได้ไหมครับ ได้อยู่ที่ไหนก็ถือได้อยู่ที่รักษาได้หรือเปล่าการถืออย่างหนึ่งการรักษาอีกอย่างใครก็ถือได้ ว, วันนี้ข้าพเจ้าจะรักษาจะถือศีลแปดถือไปแล้วจะหล่นหรือไม่หล่นนกลัว <c oughs> ถือเราเดี๋ยวหล่นแตกหมด <c oughs> เดี๋ยวข้อที่หนึ่งก็หล่นข้อที่สองก็หล่น การถือศีลกับการรักษาศีลต่างกันการถือศีลก็คือการมีความตั้งใจว่าจะจะถือศีลแปดจะมีจะรักษาศีลแปดแต่จะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะรักษามันได้หรือเปล่าเวลามันจะหล่นนี่รักษาไม่ให้มันหล่นได้เปล่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โยมอาศัยที่น้องๆลูกหลานมีความเชื่อถือในตัวโยมจึงได้ถือโอกาสหลอกให้เขาสวดมนต์บทรัตนสูตรและอิติปิโสทุกวันโดยอ้างว่าหลวงพ่อบอกมาว่าจะสามารถป้องกันโรคระบาดได้แต่ไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อชื่ออะไรวัดไหนแต่ย้ำว่าเชื่อเชื่อร้อยได้ร้อยเชื่อน้อยได้น้อยไม่เชื่อไม่เป็นไรอย่างนี้จะเป็นบาปผิดศีลหรือเป็นบุญแก่โยมอย่างไรบ้างเจ้าคะ ก็บาปแล้วก็ไปโกหกเขาอ่ะ mm. ถึงแม้ว่าจะโกหกเพื่อให้เขาทําดีก็ตามมันก็ไม่ควรก็ควรพูดตามตรงความเป็นจริงดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยหลอกใครท่านสอนตรงไปตรงมาท่านสอนให้สวดมนต์เพื่อทําใจให้สงบะใจสงบแล้วใจจะได้ไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ซึ่งเรื่องของร่างกายพระพุทธเจ้าก็สอนว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ช้าก็เลยก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาสอนความจริงดีกว่าจะได้จะได้จะได้เป็นคนที่น่าเชื่อถืองั้นต่อไปถ้าลูกเขารู้ว่าเราโกหกต่อไปเขาจะไม่เชื่อฟังเรานะถึงแม้เราจะพูดความจริงเขาก็จะไม่เชื่อเราคำถามจากคุณสิทธวิปปา พระพุทธเจ้าตัดสรุอริยสัจสี่แต่พระสาวกฟังธรรมบทอื่นต่างกันไปก็สำเร็จได้แสดงว่าธรรมบทต่างๆกันก็สามารถทำให้สำเร็จได้ถ้าเป็นอย่างนี้สิ่งสำคัญก็คือการสร้างบา ร, รมีให้เต็มใช่ไหมครับคืออริยสัจสี่มันอยู่ในทุกธรรมทุกบทเพียงแต่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่เท่านั้นเองเห็นพระพุทธเจ้ า, จ ะ, าจะแสดงธรรมที่คนไปติดอยู่ เขาติดอยู่กับผู้หญิงก็ต้งแสดงอริยสัจสีในเรื่องของผู้หญิงเห็นภาพรูปหนึ่งติดโติดความสวยงามของร่างกายของผู้หญิงก็เลยสอนให้ไปดูศพของโสเภณีพอดีมีโสเภณีชื่อเสียงโด่งดังสวยงามมากในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ตายไปก็กำลังตั้งศพไว้ให้ไปดูส อ, อนให้ภาพไปดูศพของโสเภณี อเห็นศของสเภณีขึ้นมาก็บรรลุธรรมขั้นอาณาคามีได้เห็นนสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเห็นแขนนิจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสวยงามสวยงามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเหี่ยวต้องเฉาต้องย่นต้องตายไปส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาก็จะทำให้ความกหนัดยินดีในร่างกายสวยๆงามๆหายไป อันนี้แล้วแต่ว่าคนที่พระพุทธเจ้าสอนด้นนั้นกําลังติดอยู่กับเรื่องอะไรก็ต้องสอนให้ไปสอนให้ไปแกะเรื่องนั้นออกไปซึ่งทุกเรื่องมันมีอริยรรสัจสี่อยู่ดนัน้นมันมีทุกอยู่ทั้งนั้นพอไปติดกับเรื่องอะไรมันก็ทุกไปติดกับเงินก็ทุกเนี้ตอนนี้ญาติโยมติดเรื่องหุ้นก็จะสอนเรื่องหุ้นว่าเนี่ยมั้ยมีหุ้นแล้วมันทุกไหมล่ะขายทิ้งมันไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่ขายมันหมดไปเลย เอเองินไปซื้อที่ดินซื้ออะไรไว้ดีกว่าหรือไม่ก็้นเรไปทําบุญให้มันหมดไปเลยไปบวชแลเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอีกต่อไปพอพอเห็นอ น, นิจจังปั๊บเห็นทุกข์ปั๊บก็ขายหมดเลยไปบวชเลยดีกว่าเออก็หายทุกข์จากเรื่องเข้าของเงินทองนะคําถามจากคุณพิสิทธ์เคยฟังธรรม จากหลวงพ่อท่านหนึ่งและท่านบอกว่าท่านได้บรรลุพระอรหันต์แล้วอยากทราบว่าท่านบรรลุจริงไหมครับจะได้ไตรตรองในคำสั่งสอนของท่านครับออท่านเป็นคนบอกเราก็ต้องไปถามท่านมาถามเราไม่ได้เราจะไปรู้ได้ไง เ, ออเราไม่มียานเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จะส่งเข้าไปดูโอ้ใจองนี้ไม่มีกิเลสใจนี้ยังมีกิเลสอยู่ อ, อันนี้เมื่อท่านบอกคุณก็ต้องถามท่านดู เลือทดสอบดูถ้าคุณรู้จักวิธีทดสอบความเป็นผ้าหานูว่าเป็นยังไงถ้าไม่รู้จักวิธีก็อยากเพิ่งไปเชื่อก็ได้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในการลามัสูตรว่าไม่ต้องเชื่อใครก็จะพูดอะไรคือไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตให้เชื่อแบบเชื่อหูไว้หูฟังหูไว้หู ต้องเอาไปพิสูจน์ก่อนว่าเขาเป็นจริงหรือไม่ถ้าอาจารย์บอกท่านเป็นจริงร้อยท่านตายก่อนก็ไปดูกระดูกของท่านว่าเป็นพระธาตุหรือไม่เอถ้าอย่างนั้นก็ถ้ายังไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อแต่ก็อย่าไปปฏิเสธนะฟังไว้เฉ ย, เฉย คำถามจากคุณสุมเมศผมมีความสนใจที่จะปฏิบัติธรรมแต่ต้องเรียนต้องศึกษาหาวิชาความรู้ด้านวิชาชีพครับพระอาจารย์พอมีคําแนะนําวิธีปฏิบัติภาวนาให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาบ้างไหมครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมครับก็คงจะมีเวลาน้อยเนะ่ยเพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียนการทําการบ้านอะไรต่างๆเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมนี้ก็คงจะน้อย ทำได้อย่างมากก็คือรักษาศีลห้าแล้วก็พยายามฝึกสติเท่าที่จะฝึกไดเ้เวลาว่างก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาว่างนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีไปก่อนตอนนี้เราต้องถือการเรียนเป็นหลักก่อนเรียนให้จบก่อนเมื่อจบแล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกทางเดินต่อไปได้ว่าจะไปทางไหนต่อ คำถามจากผู้ฝากถามครับมนดำคุณใสเท่ากับกรรมใช่ไหมครับถ้ามีจริงการแก้ไขคือการนั่งสมาธิแก้ได้ไหมครับและถ้าเราไม่มีสมาธิที่จะนั่งเพราะใจเรารุ่มร้อนไม่เป็นตัวเองคือเราไม่มีสติใช่ไหมครับ ไม่มีสติก็นั่งสมาธิไม่ได้แต่สมาธินี้ไม่ไปไม่ได้ไปกําจัดกรรมไม่ได้ไปแก่กรรมกรรมแก้ไม่ได้กรรมที่ทําแล้วมันไปลบล้างมันไม่ได้มันจะต้องรอเวลาส่งผลของมันแต่การมีสมาธิก็จะมาช่วยเหมือนกับมีเกราะมารับกรรมมามีเกราะป้องกันกระสุนถึงแม้กรรมจะยิงเข้ามาก็จะเข้ามาไม่ถึงใจ เข้าได้ก็ที่ร่างกายแต่เข้ามาถึงใจไม่ได้ถ้ามีสมาธิมีปัญญาใจก็จะไม่เดือดร้อนกับกรรมแต่ร่างกายนี้ก็ยังต้องรับเคาะกรรมของกรรมได้ทำคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามลูกฟังเทศฟังธรรมและฝึกนั่งสมาธิกับหลวงพ่อใจเริ่ม เริ่มรู้สึกดีเจ้าค่ะแต่ยังติดที่ไม่สามารถให้อภัยกับคู่ครองที่ทำร้ายจิตใจและร่างกายได้ขอปรามีหลวงพ่อช่วยแนะนำลูกด้วยเจ้าค่ะก็คิดว่าการอาฆาตพยาบาทนี้มันเป็นเหมือนมีดคอยมากรหัวใจเราการให้อภัยเขาก็เป็นเหมือนกับการเอามีดไปทิ้งนั่นเองพอเราไม่มีมีดมาเกรหัวใจเราใจเราก็จะสบาย ไม่มีความทุกข์กับเขาอีกต่อไปทันเราต้องมองทุกครั้งเวลาที่เราโกรธเขาอาฆาตพยาบาทเขาเราต้องดูว่าเรารู้สึกอย่างไรดีหรือไม่ดีเวลาที่เราไม่อาฆาตพยาบาทเขาเรารู้สึกอย่างไรดีหรือไม่ดีเมื่อเห็นเราเมื่อมีเหตุมีผลให้เราเปรียบเทียบแล้วเราก็จะได้เลือกเปรียบเลือกเอาทางไหนต่อไปได้ เราก็จะให้อภัยเขาได้เพราะการให้อภัยนี้ไม่ได้ให้เขานะให้เราให้เราสงบให้เราสุขให้เราสบายให้เราเอาไอ้มีดที่มันมาทิ่มแทงหัวใจเราออกไปจากใจของเราเหมนเวลาใครเขาเอามีดมาทิ่มแทงร่างกายเราเราจะไปโกรธเขาทำไมเราต้องมารักษาแผลของ ของร่างกายเราไม่ดีกว่าเลยไปหาหมอให้หมอช่วยดึงมีดออกแล้วก็พยาบาลรักษาให้มันหายไม่คอยไปโกรธไปเกลียดเขามันจะเกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรนะงั้นเวลาใครเขาทำอะไรแ ล, แล้วก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปก็แล้วกันแล้วอาจจะเคยไปทําเข้ามาก่อนก็ เ, เลยต้องกลับมาทําเรา ทำแล้วก็ถือว่าใช้หนี้กันไปหมดกันไปเราไม่ต้องไปสร้างหนี้ใหม่ด้วยกลับไปทําร้ายเขาใหม่เรามารักษาอา่แผลของเรารักษาใจของเราอด้วยการให้อภัยด้วยการไม่ถือที่ว่าเป็นการใช้หนี้เขาแล้วเราก็จะสบายใจหมดนั้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหม